สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักถ่กรคุณชอบเล่าวันนี้จะขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับวัดบ้างนะครับตามคําแนะนําของท่านสมาชิกสลับกับบรรยากาศป่ากันบ้างนะครับหากจะพูดถึงโบราณสถานวัดร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ ia, งห์บุรีอ่างทองชัยนาทแล ะ, ละคนครสวรรค์ก็ถือว่ามีมากอยู่หลายแห่งนะครับแต่วันนี้วัดที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังก็คือวัดขุนินทประมูลจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นวัดที่มีพุทธศินอัน ง, งดงามขององค์พระพุทธไสายาสน์รวมถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่ยังคงมีหลักฐานในพิสูจน์กับเรื่องราวปฏิหารในเชิงเรียนลับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันวัดกุนินทัพประมูลเป็นพระอารามราชชั้นสามัญตั้งอยู่หมู่สามตำบลบางพลับอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีเนื้อที่ประมาณ80ไร่เศษประวัติความเป็นมาแต่เดิมเล่ากันว่าเป็นเพียงสํานักสงฆ์ใช้เป็นที่วิปัสสนา ลูกเพิงพักด้วยเครื่องไม้ไผ่หลังคามุงแฝกฝีมือชาวบ้านเมื่อมาที่วัดขุนินทประมูลเราก็ต้องสะดุดตากับพระองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งว่ากันว่าสร้างแต้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยในยุคที่พระยาเลอไทยสืบราชสมบัติต่อจากพ่อคุณดามคำแหงผู้เป็นบิดาครั้งนั้นพระยาเลอไทยเสด็จจากกรุงสุขโขทยัยเดินทางมานมัสการพระฤาษีสุ ก, กทันตะนวัดเขาสมอคอนในเขตกรุงนวโวเมื่อนมัสการพระฤาษีผู้เป็นอาจารย์แล้ว พระองค์ได้พักแรมณเขาสมอคอนห้าเพลาได้เสด็จท่ามแม่น้ำเจ้าพระยาล่องมาตามแม่น้ำน้อยโดยผ่านมาทางคลองบังพลับเพื่อเสด็จประพาสท้ทองทุ่งและได้แวะประทับโดยสร้างพระพลานวัดโคก บ, บางพลับแห่งนี้ขณะที่ประทับแรมอยู่ณโคก บ, บางพลับก็เกิดสุขพณิมิตรถอดพระเนธเห็นลูกไฟดวงใหญ่ลอยขึ้นเหนือยอดไม้ให้ายไปในอากาศทางทิศตะวันออกจึงเกิดปิติส ม, มนัตดําริสร้างพระพุทธไสา ย, ยาสน์ขึ้นเป็นพุทธบูชาณจุดที่พระองค์ประทับแรมอยู่แห่งนี้ โดยที่มอบหมายให้ในบ้านเกณฑ์แรงงานทั่วบริเวณร่มแม่น้ำน้อยทั้งหมดได้คุณพันเศษขุดหลุมกว้าง200วานำท่อนสุงนับร้อยท่อนมาลงวางขัดตารางเป็นฐานและขุดบอ่อในทุ่งด้านหลังขนดินขึ้นมาถม3วาปัจจุบันเป็นสะกว้างอยู่ทางด้านหลังของวัดพวกคุณอีกส่วนหนึ่งก็ระดมทำอิดเผาสร้างพระพุทธสยญาตขึ้นนวัดโคกบางพลับแห่งนี้ใช้เวลานานถึง5เดือนเสร็จเมื่อเดือน5พุทธศักราช1870 สำเร็จเป็นองค์พระพุทธไสยาสนยาว20วาสูง5วาสร้างเสร็จและขนานนามว่าพระพุทธไสยาสนเลอไทยนริมิตรและมอบหมายให้ในบ้านผู้ดูแลตั้งทาทไวห้าคนจึงเสด็จนิวัต ส, สู่กรุงสุขโขทยัยและเมื่อสมัยต่อมากรุงสุขโขทัยเริ่มสืบอํานาจลงพระพุทธไสยาสนเลอไทยนริมิตรก็ถูกทอดทิ้งตากแดดตากฝนท่ามกลางป่ารกอยู่นานจนเมื่อกรุงศรีอยุธยามีอํานาจขึ้นมาแทนที่ในระยะเวลานี้ได้มีพระภิกษุสงฆ์ ใช้สถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีศรัทธาของชาวบ้านสร้างเพลิงพักให้เป็นที่จําวัดต่อเนื่องกันมานานจนถึงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศในครั้งนั้นมีนายอากรตําแหน่งที่ขุนินท่าประมูลในบ้านบางพลับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญในประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าขุนินท่าประมูลเป็นคนจีนมีชื่อเดิมว่าเซิงมีภรรยาเป็นคนไทยชื่อนาคไม่มีบุตรสืบตระกูลเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ธรรเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับปารคว่าจะพยายามบูรณะพระพุทธไสย์ญาตที่เคยทุดโทมและจะสร้างวัดหน้าที่แห่งนี้ให้สำเร็จลงให้ได้โดยเริ่มแรกนั้นคุณนินทประมูลนั้นได้นำทรัพย์สินส่วนตัวที่เก็บออมไว้ประมาณร้อยช่างออกมาสร้างวิหารและเจดีย์ขึ้นนักโคกใหญ่ทางทิศตะวันออกและต่อมาก็เห็นว่าพระพุทธไสยญาติทรุดโทมลงทุกวันองค์พระจูนจะพังทลายลงมกงกับพื้นดินจึงดบเินให้ถากถางป่าและซ่อมองค์พระพุทธไสย์ญาตนี้ขึ้นใหม่รวมทั้งได้จัดสร้างหลังคาคลุมองค์พระขึ้น โดยจัดทําเป็นเสา อ, อิฐก่อเครื่องบนเป็นเครื่องไม้หลังคามุงด้วยหญ้าแฝกเป็นเครื่องกันแดดกันฝนขยายองค์พระออกไปเป็นความยาว25วาสูง5วา2ศอกการซ่อมสร้างพระพุทธสายญาติครั้งนั้นนับเป็นมูลค่าเงินหลายร้อยช่างขุนอินทประมูลนำทรัพย์ส่วนตัวออกมาสร้างซะจนหมดจึงมีเจตนายักยอกพระราชทรัพย์หลายร้อยช่างนํามาสร้างต่อจนเสร็จแล้วก็พยายามปกปิดไว้ไม่ยอมให้ข่าวแพร่พรายไปถึงพระนครศรีอ ย, ยุธยา แต่ข่าวลือนั้นก็ลือไปถึงพระยาวิเศษชัยชาญเจ้าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจึงได้ส่งคนมาสอบถามได้ความจึงนําเรื่องขึ้นกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศพระองค์โปรดกล่าวให้พระยากราห์มขึ้นมาไต่สวนคุณนินทประมูลก็ให้การปฏิเสธจึงถูกสั่งใหร้ราชทรรลงทันเคี่ยนสายกแต่ถึงอย่างไรคุณนินทประมูลก็ยังไม่ยอมสารภาพผิดอ้างว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวจัดสร้างทั้งหมดคุณนินทประมูลเกรงว่า หากว่าสารภาพตามความจริงแล้วส่วนกุศลที่สร้างไว้ทั้งหมดจะตกแก่พระเจ้าแผ่นดินจนท้ายที่สุดคุณอินทประมูลก็ทนการลงทันจากราชทันไม่ไหวต้องจบชีวิตลงเมื่อวันอังคารเดือน5พุทธศักราช2296อายุได้80ปีเศษเมื่อคุณอินทประมูลสิ้นชีวิตพระยากราห์โหมกลับไปกราบทูลความให้ทรงทราบพระเจ้าอยู่หัวบ ร, รมโกศได้เสด็จขึ้นมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเห็นว่าคุณนินทประมูลมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงโปรดให้ฝังร่างของขุนอินทประมูลไว้ในเขตพระวิหารด้านหลังองค์พระพุทธไสยาสหลังจากทําพิธียกเกตทองคำหนักร้อยช่างพระราชทานประดับเนื้อเสียงพระพุทธไสยาสและทรงพระราชทานนามวัดว่าวัดขุนอินทประมูลกับถวายนามพระพุทธไสยาสว่าพระพุทธไสยาสขุนอินทประมูลจบจนพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่สองเผาทาลายพระวิหารและองค์พระพุทธไสยาสนจนเกิดความเสียหายอย่างน่าสลดใจ วัดขุนินเทประมูลจึงถูกทอดทิ้งให้ร้างจมอยู่ในป่าโคกวัดนานถึง100ปีจนล่วงมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พ, พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีประวัติของวัดขุนินเทประมูลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังว่าครั้งหนึ่งเมื่อประมาณพุทธศักราช2410สมเด็จโตเดินทางขึ้นมาตรวจสอบพื้นที่ที่จะสร้างพระพุทธรูปนั่ง พระมหาพุทธพิมพ์นวัดเกศชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครั้งนั้นเป็นฤ ด, ดูน้ําหลากสมเด็จโตให้ชาวบ้านผู้ติดตามจเจ้าเรือรับทุ่งมานมัสการพระพุทธไสายาสน์วัดขุนินทประมูลและพำนักค้างคืนอยู่ในะบริเวณโคกวัดเป็นเวลาหนึ่งคืนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการลักลอบขุดกรุพระสมเด็จในะบริเวณหลังองค์พระพุทธไสายาสน์เพราะมีความเชื่อกันว่าสมเด็จโตท่านนํามาฝังไว้นั่นเองและแม้ว่าขุนินทประมูลจะจากไปนานนับร้อยร้อยปี แต่ชาวบ้านนั้นก็ยังร่ําลือเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติที่ขุนอินทประมูลฝังอยู่ในะบริเวณใดบริเวณหนึ่งรอบองค์พระนอนสมบัติของคุนอินทประมูลที่ใต้องค์พระนอนนั้นจะมีจริงหรือไม่ก็ยังคงร่ํำลือกันไม่เลิกชาวบ้านแถบใกล้วัดเล่ากันว่าวันดีคืนดีจะเห็นแสงไฟสีทองหรือที่เรียกกันว่าแสงไฟพเนียงเชื่อกันว่าไม่เห็นแสงไฟนี้ก็แสดงว่าใต้พื้นดินบริเวณ น, นั้นจะต้องมีแร่ธาตุหรือสมบัติอล้ำค่าฝังอยู่แน่นอน เรื่องราวความเร้นลับภายในวัดกุนินทประมูลยังเกิดขึ้นต่อเนื่องกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระครูวิเศษชัยวัตรเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกุนินทประมูลท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่มีการจัดอบรมพระนาวกะหรือพระบวชใหม่ที่วัดกุนินทประมูลซึ่งเคยจัดอบรมกันมาหลายปีและปีนั้นก็เป็นการจัดอบรมปีสุดท้ายซึ่งได้เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นโดยในเวลาประมาณสีท่ทุมเศษ หลังจากจบอบรมพระกรรมฐานประจําวันแล้วพระที่เข้าอบรมทั้งหลายก็แยกย้ายกลับที่พักหลือแต่คณะทํางานประชุมสรุปงานประจําวันกันอยู่ช่วงเวลานั้นเองก็ได้ปรากฏร่างของพระภิกษุนิรนามรูปหนึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่มากสูงมากกว่า180ซนติเมตรรูปร่างนั้นเหมือนคนโบราณมีผิวพันผุดพองอายุมากและยังมีท่าทีสง่างามเดินตรงไปยังคณะที่ทํางานซึ่งกําลังประชุมกันอยู่บริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ทางคณะจึงได้นิมนต์ท่านนั่งที่โซฟา ท่านพระครูวิเศษชัยวัตรจึงได้ถามท่านว่าพระคุณเจ้ามาจากอารามไหนท่านก็ตอบว่ามาจากอารามทั่วไปจากนั้นท่านพระครูวิเศษชัยวัตรจึงได้ถามอายุท่านท่านก็ตอบไม่ชวนคนลุกและยากที่จะเชื่อว่าท่านอายุ400ปีหลังจากนั้นก็ได้คุยแต่ถามถึงเรื่องต่างๆกันอยู่พักหนึ่งขณะที่คุยกันอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเวลาคุยได้สักพักหนึ่งพระครูวิเศษชัยวัตรก็ต้องลุกเดินไปเดินมาเพื่อเตรียมเอกสารต่างๆให้เสร็จ แล้วจึงเดินกลับมาเพื่อจะสนทนาต่อก็เห็นบั้พระรูปนั้นกำลังลุกเดินจากที่บริเวณที่คณ ะ, ะทํางานนั่งอยู่ท่านพระครูวิเศษชัยวัตรจึงรีบเดินตามพระภิกษุนิรนามรูปนั้นไปเพื่อที่จะเดินไปส่งและมาเดินตามไปจนถึงบริเวณพระพุทธบาทของพระพุทธสายญาตรพระนิรนามรูปนั้นก็หันมาลาแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือท่านเดินเข้าไปในเงาของพระพุทธสายญาตและก็หายไปกับตานําความตื่นตะลึงมาสู่ท่านพระครูวิเศษชัยวัตรจนพูดไม่ออกมองหาบริเวณรอบๆก็ไม่มีไม่เห็นพระรูปนั้้นแลว ท่านจึงรีบกลับมาเล่าให้คณะทำงานฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าท่านเเพ้อเจ้อจึงต้องนำวิดีโอมาเปิดดูแต่เมื่อเปิดดูกลับไม่มีพระรูปนั้นอยู่ในกล้องไม่มีแม้ตอนที่นั่งอยู่บนโซฟาและในสองอาทิตย์ต่อมาหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งก็ได้ลงภาพหนึ่งที่วาดจากสมาธิซึ่งภาพของพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระองค์เดียวกับที่พระครูวิเศษชัยวัดเห็นและก็ได้พบมานั่นก็คือภาพของหลวงปู่เทพโลกอุดอรพระสงฆ์ที่มีประวัติอันลี้ลับ และเชื่อกันอยู่ในหมู่ของผู้ปฏิบัติว่าท่านมีจริงและมีชีวิตที่เป็นอมตะดำรงธาตุขันด้วยอิทธิบาท4ีผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงและมีบุญวาสนาบารมีพอเมื่อถึงเวลาก็จะได้พบท่านหรือเมื่อวันที่14ตุลาคม2541ก็ได้เกิดเสียงสนั่นปานฟ้าผ่าตรงบริเวณหลวงพ่อพระนอนเสียงที่ดังสนั่นนั้นดังถึงสองครั้งซึ่งในวันนั้นทางวัดได้มีการจัดงานมหรสพบพอสิ้สนเสียงดังครั้งที่2องค์หลวงพ่อก็สุดลงเป็นกองอิดกองปูน คงเหลือแค่เพียงส่วนด้านหน้าส่วนของพระเสียรความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์พระพุทธไสายาสนี้ถือเป็นภารกิจที่ท่านพระครูวิเศษชัยวัด ต, ต้องรับภาระเป็นทุร้านในการบูรณะและเวลานั้นท่านเองก็ยังมองไม่เห็นทางว่าจะหาปัจจัยมากมายมาจากไหนเพื่อจะมาเป็นทุนซ่อมแซมองค์พระและบูรณะวัดขุนินทัประมูลจนวันหนึ่งท่านก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดขุนินทัประมูลโดยปักหลดที่หน้าพระพุทธไสายาสน์และได้คืนวันที่7ของการปฏิบัติเวลาประมาณ2ยามคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืด มีเพียงแสงของหลดไฟเล็กๆเท่านั้นที่เปิดไว้ก็ได้ปรากฏว่ามีชายร่างใหญ่รูปร่างเหมือนคนโบราณเดินมาหยุดอยูใ่ใกล้ๆเอ่ยปากพูดกับท่านว่าท่านพระครูไม่ต้องเป็นห่วงหรือหนักอกหนักใจอะไรท่านรับบูรณวัดนี้คนที่เคยร่วมสร้างวัดนี้ในการกันก่อนนั้นบัดนี้เขากลับมาเกิดแล้วเขาจะมาช่วยท่านพระครูเองขณะที่ฟังชายโบราณ น, นั้นพูดอยู่ก็บังเอิญมีสุนัขวิ่งไล่กัดกับแมวเข้ามาในกรของท่าน ส่วนเข้าของกระจุกระจายพอหันใหม่อีกทีชายลึกลับนั้นก็ได้อันตรธานหายไปเป็นเรื่องที่น่าพิศวงมากและหลังจากนั้นมาวัดขุนินเทรประมูลก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการและเป้ค้าประชาชนหลายๆฝ่ายรวมกันบูรณะองค์พระพุทธสยญาติและสร้างกุฏิสง์หอฉันหอระฆังตลอดจนหอส่วนมุนขึ้นมาใหม่ทั้งวัดจนวัดถือว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์และเป็นระเบียบและนี่ก็คือประวัติของวัดขุนินเทรประมูลที่นํามาเล่าให้ฟังนะครับ ก็หวังว่าจะถูกใจท่านสมาชิกที่อยากจะฟังเรื่องราวของวัดนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ